หรือปฏิจจสมุปบาทสมุทยาวาระจะเริ่มต้นที่การรับรู้ทางอาญัตนะทั้ง6แล้วแล่นต่อไปทางข้างปลายตลอดสายจนถึงชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนต์และอุปาญาตและช่วงต้นของกระบวนธรรมตั้งแต่อวิชชาเป็นต้นมาไว้ในฐานให้เข้าใจว่ามีแฝงอยู่ด้วยพร้อมในตัวส่วนกระบวนการฝ่ายดับทุกหรือปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาระ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 ภิกษุทั้งหลายเด็กนั้นเติบโตขึ้นอินทรีย์แก่กล้าเอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามาคุณห้าให้เขาปนเพลอด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโพธพพะที่น่าปราถนาน่าใคร่น่าพอใจที่มีลักษณะน่ารักเย้าวยวนชวนกำนัดชวนรักใคร่เด็กนั้นเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูรู้กลิ่นด้วยจมูก ลิมรสด้วยลิ้นถูกต้องโพธิภพด้วยกายรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วย่อมติดใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโพธิภพในธรรมารมณ์ที่มีลักษณะน่ารักย่อมขัดใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโพธิภพในธรรมารมณ์ที่มีลักษณะไม่น่ารักเด็กนั้นอยู่โดยปราศจากสติกำกับตัว และมีจิตด้อยจิตใจไม่เจริญเติบโตไม่รู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตต์คือภาวะเป็นอิสระปลอดพ้นของจิตใจไม่รู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งปัญญาวิมุตต์คือภาวะเป็นอิสระปลอดพ้นด้วยปัญญาอันเป็นที่บาปอากุศลธรรมทั้งหลายดับไปไม่เหลือเด็กนั้นประกอบความยินดียินร้ายเอาไว้อย่างนี้ได้เสวยเวทนาอย่างได้อย่างหนึ่ง เป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตามเขาย่อมตั้งหน้าเพลินพร่ำบน่นพร่ำมชมสยบอยู่กับเวทานานั้นเมื่อเขาตั้งหน้าเพลินพร่ำบน่นพร่ำมชมสยบอยู่กับเวทานานั้นนันทิความติดใคร่เหมิมใจย่อมเกิดขึ้นนันทิในเวทานานั้นก็คืออุปาทานเพราะอุปาทานของเขาเป็นปัจจัย <belonging Yay. S 2> ก็มีพบเพราะพบเป็นปัจจัย ก็มีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโศกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปาญาตก็เกิดขึ้นพร้อมความอุทัยพร้อมแห่งกองทุกทั้งปวงนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อีกแห่งหนึ่งคือในทุกขนนิโรธสูตรสั่งยุตินิกายนิธานวั์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความอุทัยพร้อมแห่งทุกเป็นไฉนาอาศัยตาและรูป จึงเกิดจากกุบิญญาณความประจวบแห่งสิ่งทั้งสามนั้นเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีภิกษุทั้งหลายนี่แหละคือความอุทัยพร้อมแห่งทุกทางด้านโสตะคานะชิวหากายะมโนโก็อย่างเดียวกันความในบาลีสองแห่งนี้จับเฉพาะองค์ธรรมหลักเขียนเป็นกระบวนธรรมให้ดูง่าย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 พจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจใจชารามรณะจึงมีสโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปาญาตจึงมีพร้อมซึ่งกระบวนธรรมนี้เท่ากับทุกกะสมุ ท, ทยัยกระบวนการแบบที่สองเพราะสลาญตนาเป็นปัจใจพรรษะจึงมีเพราะพัรษะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัย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 ต่อมาเด็กนั้นได้ออกบดศึกษาปฏิบัติธรรมประกอบด้วยศีลอินเซียสังวรและเจริญฌานแล้วเธอเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูรู้กลิ่นด้วยจมูกลิมรสด้วยลิ้นถูกต้องโพธิภพด้วยกายรู้ธรรมารมด้วยใจแล้วไม่ติดพันในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโพธิภพในธรรมารมที่มีลักษณะน่ารัก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 เพราะพบดับชาติก็ดับเพราะชาติดับจรามรณะโศกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปาญาติก็ดับความดับแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้แห่งที่สองว่าภิกษุทั้งหลายความอัสดงแห่งทุกเป็นไฉไหนอาศัยตาและรูปจึงเกิดจากกุวิญญาณความประจบแห่งสิ่งทั้งสามนั้นเป็นผัสสะ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 ภิกษุทั้งหลายนี่แหลคือความอัสดงแห่งทุกข์ทางด้านโสตะคานะชิวหากายะมโนโก็อย่างเดียวกันบาลีทั้งสองแห่งนี้เขียนเป็นกระบวนธรรมให้ดูง่ายได้ดังนี้หมายเหตุกรุณาดูแผนภูมิที่6กทับประกอบด้วยแผนภูมินี้อ่านได้ดังนี้กระบวนการทแบบแรกเพราะสลายาตนะเป็นปัจจัย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 พบก็ดับเพราะพบดับชาติก็ดับเพราะชาติดับจรามรณะโศกปริเทวะทุกทมนัสอุปาญาติก็ดับซึ่งกระบวนธารนี้ก็เท่ากับทุกขานิโรธตามที่เขียนแสดงนี้แบบแรกแสดงใหม่ตลอดสายให้ตรงข้ามกับฝ่ายสมุททยาวาระที่ได้แสดงไปแล้วส่วนแบบที่สองแสดงต่อจากฝ่ายสมุททย า, าระนั้นไปเลย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 องค์ทำข้อต่อๆไปเช่นอุปาทานเป็นต้นก็ไม่เกิดทุกก็ไม่เกิดทุกข์นิโรธก็สำเร็จ